ดีท่านไปจัดิทฤษีอยู่ที่เชียงรายก็เลยลูกข่าวเปิ้ลหุนเตอ๋อเป็นลุกสิษย์ท่ามาปฏิบัติกเราแ ล, แล้วก็เลยนิมนต์มานี่ในพูดสองครั้งคุณไฟเช้าชั่วโมงเย็นก็นชั่วโมงพูดกันไปถามปัญหากันไปในวัน้อยกระทงพอดีแหละนี้ผ่านมาเดือนพฤศจิกาท่านก็พูดเหมือนเราพูดนี่แหละ ถึงเรื่องตัวรู้ ก, กับตัวเผลอนะ่ะท่านบอกว่าก่อนที่จะเคยอยู่ที่ตรงพ่อชามแล้วต่อมาท่านอริยวังโซท่านชินนวังโซคือท่านอาจารย์โทนอาจารย์โทนี่ที่มาจากเนเธอร์แลนดนะ์เนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดป่านอ น, นาชาติของหลวงพ่อชา ม, มา 18, สาิปดพรรษาตอนมาท่านนึกอย่างไรไปอ่านหนังสือแล้วมา มาปฏิบัติแบบวิธีการของเราเนี่ยอยู่สามเดือนกลับไปวัดป่านานาชาติไปนั่งหัวแถวเพื่อนไปยกมือไปยกมือให้เพื่อนดูภาที่อยู่ตงแถวนั้นนั่งหลับตากันเครียดท่า น, นก็เลยต่อมานั้นก็เลยลาวเจ้าวก็ามาอยู่ว่าพวกเราได้สักปีหนึ่งได้ก่อนงพ่อเจรันก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าไปมาทั้งก็เลยขอไปอยู่ที่ศรีลังกาที่ศรีลังกาก็าให้วีซ่าถาวานในที่นั้น <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ไอรแลนด์เฮอเตไอแลนด์เฮอรเบตสอนพรังการสอนแบบยกมือเนี่ยแล้วพรังการมาต่อ ย, ยอดอยู่ที่ป่าสุกโตมีอีกรูปหนึ่งเคยมาช่วยงานตรมท่านอาจารลาพศิลังการพูดไทยได้ก็ได้อาจารย์โทนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนแบบยกมือเพราะฉะนั้นถ้าให้ฝรั่งเข้าใจเขาไปสอนกับเองเนี่ยมันก็ดีกว่าถ้าเขารู้วัฒนธรรมรู้ภาษาอะไรกัน ค่อน ข, ข้างจะไปได้ไหวพาะศีลังกาเขาติดเรื่องปริยัติมากแต่เขาก็มาศึกษาเรื่องนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดา น, ะนั่นเองก็อย่างที่ได้กล่าววันเช้าว่วาการมายุคสมัยใหม่เนี่ยอินทรีย์คนมันอ่อนลงมีอินีคนอ่อนเพราะสิ่งที่มันมั่วย่อยุมาบีบคั้นเนี่ยมันเยอะอ น, นี่คือสติที่ จับลมหายใจนั่งสงบเนี่ยถ้าว่าเป็นชาวบ้านจริงเนี่ยทำยากเพราะว่าจิตมันมีเรื่องที่จะคิดเยอะแต่ว่าสติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันมันบางเอาไม่อยู่ดังนั้นเองก็ในยุค ข, ของเรามาเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมานีไม่ใช่ทิ้งลมหายใจนะแต่ใช้ตัวเนี้เสริมเข้าไปเสริมกําลังกันหลายๆด้านการเคลื่อนไหวเรียบบททั้งหมด แต่ว่าถ้าหากว่าพระที่ท่านมีเวลาอยู่ในป่าในถ้ำในเขาจริงๆก็โอเคท่านก็ไปท่านได้เพราะไม่มีสิ่งลบกวนมากสติที่เกิดจาก <c oughs> ลมหายใจเนี่ยก็จะพอแต่ว่ามันก็เสี่ยงตรงว่าขายการยมิทธิปฏิสัยฌานใจิีใจเด็ดปฏิหารก็ไปคนละทางเอียรมันจะมาทางปัญญาเพราะาติพระพุทธเจ้าท่านเสนอเรื่องปัญญาที่เป็นอาเทศนาปฏิหารปฏิหารทางปัญญา ท่านไม่เสนอเสืส่อในทธิปฏิหารหรือก็อธิษฐานปริหารแต่เสนอเสืนส่นอนุสาสนีปริหารคือปัญญาทางปริหารอย่างหลวงพ่อจุกุนประยุทธ์นี่ท่านมีปฏิหารทางปัญญาคือพิสูจน์ได้คนทั่วไปเห็นสามารถพิสูจน์เห็นเห็นชัดได้ทุกคนเหมือนกันเถิดเะนั้นเองก็ในปัจจุบันเนี่ยเราคงจะใช้ตัวเนี้ใช้อนุสาสนินการที่อนุสาสนีก็คือต้องใช้สติสัมญายสูงมาก สติมั่นย่าที่มีกำลังสูงซึ่งนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกสติสัญญาเนี่ยจนเป็นนิสัยอ่ะเดี๋ยวนี้ยุคเรื่องฤิดเดตปฏิหารอะไรต่างๆเนี่ยมันมันล้าสมัยไปแล้วเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาเก่งตรงที่ว่านักภาวนาที่จะเก่งขนาดไหนถ้าห่อได้ก็ห่อได้ไปคนเดียวแหละได้ว่านักวิทยาศาสตร์มันสามารถห่อได้เป็นหลายร้อยคนในทีนั้นเขาก็ไม่แปลกอ่ะ นั้นก็การรู้อะไรก็ตามถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคนอื่นสามารถเข้าใจได้ไดเห็นได้ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ละ่ะนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจหลวงพ่อสุมนุนั่นก็พูดถึงเรื่องว่าอาจารย์โทนชวนท่านไปปฏิบัติท่นนั้นอาจารย์โทนมาอยูสีป่าป่าสุกโตูเลยก็ชวนท่านไปบอกให้มาทําแบบนี้ยจะบรรลุธรรมไวอันว่า ท่านสุมรรุท่านก็เลยอเรียกว่าไม่ไม่ใช่ท่านเซนสิคท่นไม่ชอบอันนั้นว่าเห็นคนนั่งยกมือแลเวียนหัวบ่นว่าพูดตลกนี่นั่นก็เลยแต่ว่าเวลาออกมาแล้วท่านก็พูดแบบเดียวกันพูดถึงเรื่องตัวรู้ตัวเผลอแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกวไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์แต่เป็นปัจจัยเหตุปัจจัยเขาละกันเป็นเหตุปัจจัย La ถ, ถ้าไม่มีตัวเหตุคือตัวเผลอปัจจัยที่ดับมาตัวรู้มันก็จะไม่มีที่เกิดตัวรู้เกิดได้ก็เพราะตัวเผลอนั่นแหละตัวรู้ถึงได้เกิดตัวดับทุกมีได้ก็เพราะมีทุก่เพราะมีทุกการดับทุกมันจึงเกิดนี่เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันเพราะมีง่วงการแก้ง่วงจึงเกิดถ้าไม่ถ้าเราไม่ง่วงเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญามันเพราะว่าเราหาทางแก้ง่วงนั่นแหละปัญญาก็เกิดถ้าไม่ฟุ้ง ตัวปัญญาก็ไม่เกิดเพราะมันมีฟุ้งเนี่ยแหละเราถึงจะเกิดปัญญาว่าจะแก้ฟุ้งอย่างไรเพราะปัญญามันเกิดเพราะการแก้ปัญหาเนะี่แต่สิ่งที่เราเตรียมไว้ต่เวลาคือเตรียมตัวสติสมัญญาที่มีกําลังเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะมันรู้เท่าทันเหตุมันก็เกิดปัจจัยขึ้นมาคือตัวตัวรู้คือตัวดักตัวรับตัวปัญหานั้นก็เกิดปัจจัยตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนกําลังของสติสัมยาเอาไว้เนี่ยสิ่งที่มาปัญหาที่เกิดรอบๆตัวเราเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็จะจิตของเราก็าไปเข้าไปในมันโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นความเคยชินที่เราสั่งสมมาพระมาฝึกสติสัมยาให้เข้มแข็งสิ่งที่มากระทบปั๊บเนี่ยมันก็มาเป็นกาลังให้สติสัมยะมีกาลังเพราะว่าเราสติสัมยาได้ทางาน ต่อสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเสถียรยะเอาไว้ในะสิ่งที่มากระทบมันก็จะกลายมาเป็นเสริมกําลังของราคะโทสะมุหาก็เกิดเป็นไฟนะก็เป็นความร้อนแในโพสติสัญญาเป็นกองไฟอันหนึ่งเนี่ยเมื่อมีกองขยะตกลงไปมันก็เพิ่มนะนะเพิ่มขึ้นดังนั้นเด็กเรา ก็ต้องเตรียมที่ปฏิบัติที่เตรียมกําลังของสติมิญะให้เข้มแข็งเสมอในขณะเดียวกันในขณะที่เราเจะเริยนสติสมิญญาก็มีปัญหาเกิดม่ให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แสบตรงนั้นคันตรงนี้แล้วเวทนาส่วนใหญ่เนี่ยไปทางกายนะมีตลอดเวลาในเวลาปฏิบัติเนี่ยามาจะปรับร่างกายให้มันโปร่งเบาสบายเพื่อเวทนาเบาบาง วันไหนที่เราทานข้าวเยอะเราจะรู้สึกหูวเวทนามันอยู่ทั้งวันเลยนะอือดั น, นเราทานน้อยก็เบาสบายเพราะฉะนั้นวิปัสสนาต้องการเวทนาเบาบางนะใช้คําว่าอ า, าพาธน้อยมีเวทนาเบาบางเน็ตในการนุ่งการถือการห่มการสังเกตไหมว่าเวลาเรานั่งทารกใส่กางเกงรัดรัดรัดเข็มขัดตึงๆอะไรนั่งเราไม่สบายหรอ หรือใส่เสื้อหน้าหนาวใส่เสื้อหนาวหนาขึ้นไปจุดร้อนนี่ก็ไม่ดีเพราะฉะนี้ก็เอาพอดีให้อร้อนบาน้างหนาวบ้างถ้าหากว่ามันไม่ให้หนาวหน้าหนาวไม่ให้หนาวเลยเราก็จะไม่มีภูมิกําลังต้านหนาวหน้าร้อนไม่ให้ร้อนเลยเราก็จะไม่มีภูมิกําลังต้านร้อนเราปล่อยให้มันหน้าหนาวก็ต้องปล่อยให้มันหนาวเลยพอดีจะให้ อุ่นมากเกินไปหน้าร้อนก็อย่าให้มันให้มันร้อนแต่พอดีอย่าให้มันเย็นเกินไปเพราะมันไปตรงกันข้ามไปสิ่งที่นอกเลยจะปรับตัวไม่ได้เพราะะฉนั้นเองก็การเจริญสติสมาธิปัญญาที่เราทำก็คือการปรับตัวเองอยู่กับธรรมชาติทั้งภายนอกภายในได้แล้วก็ปรับร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอในการที่จะตั้งรับสิ่งแวดล้อมมาทางกาย ก็คือทุกขเวทนาต่า ง, างๆอเกิดจากโลกภัยไข้เจ็บและฤดูกาลแล้วก็พัฒนาสติสัมยาให้เข้มแข็งเพื่อตั้งรับสิ่งกระทบที่มาภายนอกที่เราไม่เกิดเหตุให้เกิดความพอใจไม่พอใจมันก็ต้องมากระทบที่กายก่อนกระทบที่ตาที่หูจมูกลิ้นกาย ถ้าสติสัญญาไม่พร้อมพอเราก็จะไม่รู้เท่าทันในสิ่งมากระทบกายมันก็แปลงแปลงสัญญาณในส่วนกระทบตาหูจมูกลิ้นมันออกมาเป็นรูปรูปของรสของเสียงของกลิ่นของสัมผัสมากระทบทางจิตมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นนามมารูปไปกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปนามกระทบทางจิตเป็นนา ม, มารูป ฉะนั้นสติสมรรคก็ต้องเข้าไปารู้เท่าทันการกระทบนั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วจิตมันก็รู้ไม่เข้าไปปรุงต่อไม่เข้ ป, ปรุงต่อสมูทัยมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติสมญาไว้เข้มแข็งเนี่ยสิ่งที่มากระทบระพร้อมที่จะเป็นสมูทัยคือนามารูปมันก็ปรุงต่อนะนั้นเองอถ้าเราไม่เข้าใจหลักการอันนี้เราก็จะพยายามที่จะ คิดค้นหาวิธีไปแก้ทุกอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่ต้นเหตุอะดับไฟที่ปลายเหตุที่มันออกไปเป็นความคิดต้นเหตุมันคือว่าตัวรู้สึกตัวพร้อมพร้อมที่เราตั้งรับเนี่ยมันไม่เข้มแข็งพ อ, อเวทนาทางต่า ง, างมันมันถึงผ่านกายทะลรู้ถึงจิตถ้าเราหักว่าเวทนาทา ง, างต่างมากระทบนะมากระทบแล้วเรามีสติสญเป็นกาแพงกั้นไว มันก็ไม่ทะลุถึงจิตมันก็ไม่อยู่แค่กายมันก็ไม่เป็นสมุทัยถ้าอยู่แค่กายมันก็เป็นเพียงกฎของไตรลักษณ์ที่กายต้องเสู่อยู่แล้วี่เป็นวิบากที่เรารับเฉพาะกายนะ น, นั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็ฝึกสติสมยะแค่นั้นหน้าที่ของเราให้มันมีกำลังมันเข้มแข็ ง, ขงบอกว่าสติเนี่ยฝึกเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอก พราะมันใช้เยอะบอกว่าสตินี่ถ้าบอกไม่มีเกินมีแต่จะไม่พอใช้อันนี้หลวงพ่อเทศหลวงปู่เทศท่านว่าไว้สติฝึกเท่าไหร่ก็ไม่เกินนะมีแต่จะอย่างเดียวคือมันจะไม่พอใช้เพราะว่ามันถูกใช้เยอะกําลังไม่พอก็จะกิเลสเนี่ยมันจะดึงไปใช้นั้นเองก็เวลาเราปฏิบัติทําไงที่จะปรับให้สติมันตื่นโพรง อุปสรรคชุดแรกของมันก็คือนิวรหานแหละที่เราสวดมาเมื่อกี้สันตังวากามาฉันโถติปชานาติความความอยากสบายการมาฉันทาวันไม่ใช่เป็นความรักใครแบบในกามที่เข้าใจแต่มันเป็นความอยากสบายไม่อยากจะทำอะไรให้มันลำบาก พายจันแกมาถามบางท่านโอ้ตัวรู้มันมีอยู่แล้วจะไปทําอะไรมันอีกไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ต้องไปเพิ่มอะไรกับมันอะไรทั้งนั้นท่านก็พูดในฐานะที่ท่านเป็นแล้วอะนะแต่คนที่มันยังไม่เป็นไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เป็นคนที่ขับรถเป็นแล้วง่ายๆขึ้นไปก็นั่งเหยียบจับโน่นจับนี่ก็ไปได้เลยแต่คนที่ไม่เคยขับรถเมัอนมันยะมันไปบอกให้มันทามันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะเราก็ต้องมาเริ่มต้นดั้งแต่ ครับใหมนะ่ไปเรื่อยๆพอวันหนึ่งพอเราขับรถเป็นแล้วไม่ยากเลยขับรถนี้ง่ายมากทำไมคุณไปเรียนให้ยากอะไรมันไม่ได้นะฮะก็ต้องเรียนกันตามลำดับเหมือนกันนี่แหละแล้็พยายามนะอันนั้นเองตัวที่เราจะดูหลักๆแค่สองตัวตัวเผลอกับตัวเพลินนะและแปลงตัวเผลอให้เป็นปัญญา อย่างไรก็คือมีสตินะเป็นตัวแปลงแปลงตัวเพลินให้เป็นสติเป็นสมาธิก็มีสตินั่นแหละเป็นตัวเข้าไปรู้เพลอเกิดจากอะไรเกิดจากทุกขเวทนาจึงเผลอเพลินเกิดจากสุเกกกขเวทนาจึงเพลินเพราะนั้นคําว่าเพลินเป็นผลพวงมาจากสุขเวทนาหรือ เ, เป็นผลพวงมาจากทุกขเวทนานะ เพลอเลแล้วแหละก็หลงก็เป็นผลมาพวงมาจากอาทุกขมสุขเวทนาเรลอเพลนหลงแต่ว่าเรารู้จักในนามภาษาเหมือนว่าร า, ราคา่าโทสะโมหะแหละเาตัวเพลินก็จะเราเราชอบสบายเป็นนิสัยอยู่แล้วรอบชอบเอ็นจอยเอ็นจอยยัวมิวเอนจอยยัวซีติเอนจอยยัวสลีปิเอ็นจอยยัว walking เราก็ชอบ enjoy อยู่แล้วแสวงหาความ enjoy ถ้าชีวิตไม่มีการ enjoy เลยเนี่ยไม่มีสีสันไม่มีชีวชีวาอะในชีวิตของชาวโลกแต่พอมาทางธรรมถือว่า enjoy นี่แหละมันเป็นตัวบริสักรถ้ามันเกินนะแต่้ให้พอดีไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะแต่ให้พอดีแต่ส่วนใหญ่มันมันมกจะเกินเสพอย่างเวลาเราไปตักอาหารเนี่ย วันไหนอะโต้อาหารเยอะๆอาหารถูกเปล่าเยอะๆบนโต๊ะเนะี่ยคงทำใจยากมากเลยใช่ไหมเพราะจะเอา น, น้อยๆในการเป็นเยอะทุกทีเนี่ยอันนี้ก็ยากแหละใช่ไหมตัวอ n j o ยหรือตัวเพลินเป็นนิสัยเก่าเราก็มาใช้ภาษาว่าการว่าฉันโทติปชานาติให้รู้ชัดว่าการว่าฉันทะาให้ความเพลินความติดสบายติดรสชาติติดสนุกติดอุ่นติดนอนแล้วก็ไม่อยากตื่น ตื่นแล้วก็อยากนอนต่ออะไรพวกนี้มันนอนเพลินสบายเสพสุขก็ให้รู้แล้วต้องแข็งใจลุกขึ้นดังนั้นเวลาเราปฏิบัติมันก็ตามรู้ไปอย่เงะเรื่อยไปความก้าวหน้าอยู่ที่ว่าความรู้สึกตัวต่อเนื่งยาวขึ้นเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้ารู้ได้ไวขึ้นรู้ได้ทันเดียวขึ้นไม่ได้หมายความว่าอยู่กับตัวรู้ตลอด หม่ไหนเขามารู้เร็วรู้ชัดเพราะมันมีตัวแข่งขันตลอดเวลาตัวแข่งขันคือตัวผลิตตัวเพลินี่ยแหละเข้ามาที่จะทำให้เราของที่เราชอบแข่งเราก็จะทําจิตให้มันซื่อไม่ให้ทําจิตให้มันชอบทําจิตให้มันรู้ชอบให้รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยโดยไม่เข้าไปชอบดนะ้วยเนี่ยมันยากตรงนั้นนะ มันก็จะมีตัวชอบไม่ชอบเนะี่ยเข้ามาทดสอบอเราสติตัวรู้ซื่อเนี่ยหนึ่งต่อสองมัน ะ, ะมันมาหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่บางครั้งดังนั้นเราก็ต้องอฝึกถ้าเป็นมวยนะฝึกซ้อมมากเวลาฝึกซ้อมเราก็จะมีตัวเข้ามาดึงมาดุนเราอยู่เนี่ยมีมีความอึดอัดขัดเคืองมีความเบือ่อความเซ็งมีความ ห้องหานอนความฟุ้งซ่านความลังเลต่างๆเป็นตัวเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวทดสอบว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนี้อย่างไรการเข้าไปเกี่ยวข้องนี่อย่างถูกต้องมันก e ็ขอให้เกิดกําลังทางสติปัญญาถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องก็ให้เกิดลดกําลังสติปัญญาลงไปนะเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหมายความว่าเราเข้าไปเป็นกับมันเข้าไปเสพกับมันอืนั่ง อย่างนั่งให้มันยาวๆเนี่ยแต่ถ้ามันนั่งแล้วสบายขยับปรับเปลี่ยนให้มันสบายยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่นั่งแช่อยู่ถ้าเดียวโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเราทําให้ร่างกายลําบากแล้วก็ให้เกิดทุกเวทนาเวทนาหนักนั่งนานๆแล้วมันจะเบาเองกว่ามันจะเบาได้ก็หลายชั่วโมงร่างกาย แ, แย่และ้ะมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่คุ้มกัน เพราะนั้นเราก็ปรับมันทุกครั้งที่มันหนักแค่นั้นเพื่อที่ให้ร่างกายนี้ไม่ลำบากเพราะคอนเซปต์ ม, มันคือว่าใหม้มีเวทนาเบาบางนะแล้วก็ปรับไปทำไปปรับไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยแล้วมันก็สนุกนะทีนี้เวลาเราไปออกจากสถานที่ปฏิบัติไปกินทานข้าวรับอาหารตักไอ อาบน้ําอะไรต่างหรือไปทํากิจต่างๆแล้วก็ประคองตัวนั้นต่อไปประคองแบบสบายนะไม่ใช่ประคองแบบตั้งใจเกินไปถ้าตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ใช่ไม่ตั้งใจเลยก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องคํานึงถึงพอดีอทําไงก็ได้ที่มันไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปถ้าตึงเกินไปนานๆมันก็เครียดปวดล้างปวดเอวปวดหัวนะ ถ้าย้อนขึ้นไปจิตใจก็ไหลลื่นไปกับอารมณ์ต่างๆ่าก็เผลิ็เพลินประคองแต่พอดีปะชะหาติว่าประคองดังนั้นทุกครั้งที่เราจะขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็รู้แบบสบายสบายเนี่ยาให้รู้รู้แบบพอดีจนกระทั่งว่าตัวความพอดีเนี่ยกลายมาเป็นนิสัยใหม่ของเรานิสัยได้พอดี นะพอดีก็เป็นความตรงกับคำว่าสันโดษความปรับกายให้พอดีก็เรียกว่าสมถะเพราะฉ น, นั้นเราใช้คำ ว, ว่าสมถะในทางที่เป็นวิปัสสนาเราไม่ใช้คําว่าออคนนี้ชีวิตสมถะเนาะหมายถึงคนนี้เรียบง่ายสันโดษมักน้อยคนนี้เนี่ยสมถะที่เราเอามาใช้ในแง่วิปัสสนาก็คือสมถะแบบที่มาใช้ในแง่ของการ มากน้อยสั น, สนดทุทําให้เวทนาเบาบาง ต, ตัวตัวเวทนาทางกายนี่เบาบาง <c oughs> นั้นสันดนุดในไงพาษณุมาใช้คำว่าสันดุดก็จะช่วยได้เยอะแต่สันโดุดที่สมถะเราใช้อีกแบบหนึ่งสมถะแบบพรามก็คือไปทําสงบให้ความละเอียดของจิตมากขึ้นลึกขึ้ น, นจนกระทั่งเป็นองค์ชานนั้นชานนี้มันก็วางทีก็เกินมากไป จิตแล้วเขาไปเสพด้วยสมถะต้องการเพียงที่ทําให้เวทนานี้เบาบางตรงข้ามมกน้อยสันดดนั่นแหละคนนี้มีชีวิตสมถะน้องนโมเกี่ยมาพูดอย่างนั้นนะ่ะนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติสบายนะจากกี่วันก็กกตามเอามาทำมนนี้หลายปีไม่เห็นว่ามันจะน่าเบื่อตรงไห น, นชีวิตนี้นะเห็นว่ามันคือมีเรื่อง นั้นเรื่องนี้มีเวทนาตัวเก่านั่นแหละมันแต่เข้ามาใหม่ตัวเก่าเข้ามาใหม่ถ้าเราจะนึกว่าน่าเบื่อก็ลองนึกถึงลมหายใจเราหายใจมาตั้งแต่เกิดทําไมไม่เบื่อมันบ้างใช่ไห ม, ง, มง่ายๆคอนเซปต์ง่ายๆกินอาหารทานข้าวทานมาตั้งแต่ตแตนูจะเกิดจนถึงวันเนี่ยเราไม่เคยว่าบ่นเบื่อขี้เกียจกินข้าวไม่เคยมีมีแต่จะวิ่งหามันนะมันอยู่ที่ไหนอร่อยที่ไหนก็ไปหามันกิจ ก, กรรมที่มันซ้ำซากเราทำไมเราไม่บ่น น่าเบื่ออาบน้ําทุกวันนี่โอ้น่าเบื่ออุจจาะระปัสสาวะทุกวันอเราไม่เคยบ่นว่าเบื่อยิ่งปัดแป้งแต่งหน้าแต่งตัวเราก็ไม่เคยเห็นว่าเบื่อวันนั้นทำปฏิบัติทางจิตใจของเราอย่าไปคิดว่าอย่าไปใช้คําว่ามันน่าเบื่อเพราะวันไอการที่เราทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอย่างซ้ำซากนะั้นมันคือชีวิตมันคือชีวิตของเราชีวิตที่จะนําพาเราไปสู่ตัวไม่ทุกข์นะั่นแหละ แต่ถ้าเราต้องการความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาทำไงก็ได้แต่ที่เรามาศึกษาเรื่องนี้ต้องการชีวิตที่ไม่ทุกข์เพราะมันทุกข์มามากพอแล้วนะทุกข์มาแล้วก็รู้ว่าชีวิตที่มันเป็นทุกข์เป็นชีวิตที่ตกต่ำอับเฉานะไม่มีเรียกว่าไม่มีความเบิกบานแช่มชื่นแต่เราต้องการความสงบความสุขความเบิกบานความเยือกเย็นเราก็มาทํากันนะนั่นก็หมายความว่าเราจะต้อง อย่าใช้คําว่าทนต่อการซ้ำซากต้องใช้ชีวิตอยู่กับการซ้ําซากในสิ่งที่ดีเราเคยหายใจแบบซ้ำซากแต่แปลงลมหายใจซ้ําซากทางกายให้เป็นมารู้แบบซ้ําซากทางจิตการถ่ายอุจจาระปัสสาวะซ้ําซากทางกายแล้วเข้าไปตามรู้มันก็เป็นความซ้ํำซากทางจิตความซ้ํำซากจิตใจเกิดเป็นสติสมาธิปัญญาแล้วทีเนี้นั่นเอง ในจุดนี้เราเข้าใจขอนสิบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกยินดีพอใจกับการที่จะใช้ชีวิตแบบพอดีและพอเพียงที่เราใช้กันแต่ลุกจะนั่งจะย่างจะเดินปรับหาได้ความพอดีเพราะอะไรเพราะในฝ่ายกายเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยัจรักทำงานอยู่ตลอดเวลาทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย ตัวไตรลักษณ์เนี่ยมันทําท่าจะเกินอยู่เลยอานิจังทําให้สบายเกินทุกครั้งทําให้ไม่สบายเกินนัตตาทําให้หลงเพลินเกินนะมันทำท่าจะเกินอยู่เลยเพราะเราเป็นเคยเป็นยังมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วอะ่ะนิสัยเก่าของเราที่เคยเพลินด้วสิ่งเหล่านี้มาแต่ที่เราเพิ่งมาพบสิ่งนี้ในชาตินี้ก็เกือบจะครึ่งค่อนชีวิตแล้วเนี่ยมาเจอเนี่ยเราจะ ไม่ฝึกฝนไม่ตั้งใจทําอย่างเด็มที่มันจะทันกับไอ้ความหลงความเพลินที่เราสั่งสมมาตั้งหลายหมื่นหลายแสนชาติไหวถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจทําไม่รีบทํามันก็จะเพลินอย่างเงี้ยได้แล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกมันก็จะเพลินเราเกิดมาก็พบความหลงเพลินของพ่ อ, ข อ, พอของแม่ของบรรพบุรุษของเราเราก็าจะมาเพลินต่อไปแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกอยู่เงี่ยเมื่อไหร่มันจบสิ้นนะด้วยเห็นอย่างเงี้ยมันก็เกิดความสรุปสังเวชต่อความทุกข์ที่เราเห็นน แต่เราไม่เห็นทุกข์สะก่อนมันก็ไม่เกิดนะความสุขสังเว้นเราก็สนุกกับทุกข์ต่อไปอสนุกกับทุกข์เหมือนนกมาเห็นฟ้าปลามาเห็นน้ำํำนอนมาเห็นซ่วมคนมาเห็นทุกข์ว่าในยะเดียวกันอพอเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วโ อ, โอ้ปฏิบัติสนุกถึงเวลาก็อยากปฏิบัติวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติเอไม่สนุกเลยเออได้ปฏิบัติสนุกทําอะไรงานอยู่คิดถึงเรื่องปฏิบัติอพอทํางานดูกะ ปฏิบัติจับงานทําให้เพลินง่ายสําหรับคนใหม่นะเวลาปฏิบัติยังไม่เข้มแข็งเวลาไปทำงานก็จะติดกับงานไปเลยแต่คยคนเข้มแข็งแล้วก็เขาจะรู้ดพอดีอะทํางานอย่างไรเยท่นจะพอดีเพราะฉะ น, นั้นชีวิตของเราก็จะมีเรื่องปฏิบัติเวลาไปทํางานก็ปฏิบัติเวลาไม่มีงานก็ได้ปฏิบัติโดยตรงเวลามีงานก็ปฏิบัติกับงาน อารมณ์ของเรามันก็จะไม่ขึ้นขึ้นล ง, ล ง, ลงเพราะมันอยู่ในอารมณ์ปฏิบัตินะดังนั้นเองก็คนไหนที่มายินดีพอยใจในกรรมฐานภาวนาภิรตาโหตุอเทวดาสรรเสริญนะทุกขประาภาวนาพิราตาโห ต, นะ ต, า ต, าหตุเป็นผู้ยินดีในการภาวนาในทุกขประดาด้วนะเจนิด ท, ทุกข า, าพยาปจาริเพยจะโสขปตาโหตุสเพบีปานินโน สวดกันทุกวันแถวใช้ไม่เป็นนะภาวนาปิฎ า, างจงเป็นผู้ยินดีในภาวนาก็คือยินดีในการที่จะตามรู้ตามรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับชีวิตของเรามันก็เย็นสบายสงบแต่เราไม่ต้องไปเทียบคน อ, อื่นโอ้คนอื่นเขาสนุกสนานเปิดเพลินในการหาอยู่หากินมีลูกมีเมียมีฐานะตำแหน่งเราจะมา งมงกอยู่กับมากับเรื่องนี้อันนี้เขาเรียกเป็นคนไม่รู้เขายังไม่มีวาสนาที่จะมารู้เรื่องนี้เขาต้องพูดอย่างนั้นนะเหมือนนกเขาจะมารู้ปลาจะไม่รู้เรื่องของนกเป็นไม่เป็นได้นกจะมารู้เรื่องของปลาเป็นไม่เป็นมันอยู่คนละโลกกันอยู่ด้วยกั น, นแต่เป็นคนละโลกนะคนหนึงเขสนุกสนานไปกับเรื่องกิเลสถึงจะมีความสุขนะโลกหนึ่ง คนหนึ่งได้สนุกสนานไปด้วกันไม่มีกิเลสและมีความสุขถามว่าความสุขของคนสองประเภทไหนจะยั่งยืนด้วยกันคนฉลาดเขาจะเลือกที่ว่าสุขมีความเพลิดเพลินสนุกสนานที่ไม่ทุกข์อะไรความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความทุกข์กับกิเลสมันเป็นความเป็นการทุกข์ไม่สิ้นจบุบทุกข์ไม่สิ้นจบุบนั้นให้ให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นโดยที่ภาวนาไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยทั้งนั้นะทําแบบ เป็นเป็นชีวิตนะนะไม่ต้องใช้คาว่าทำไมทำไมทำไมไม่มีคุ้ยอย่างั้นแะแต่ว่ามันรู้สึกว่า อ, อชาตินี้เรามาเจอสิ่งนี้ช่างโชคดีเหลือเกินทำไงให้มันเป็นนิสัยที่สงบสุขด้วยการภาวนามาสงบสุขหรือเพื่อเพลินด้วยกิเลสตัณหา ที่เขาเป็นอยู่ทั้งโลกเขาเป็นอย่างนั้นหมดอ่ะไม่งะไม่ยากหรอกเราไปวันนี้ก็ได้วันนี้ได้สนุกแบบนั้นนะนะแล้วเราจะได้อะไรกลับมาอขอได้ทุกกลับมานะซึ่งมันเป็นรูปธรรมที่ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอ่ะไม่มีเป็นรูปธรรมที่ไม่ไม่มีไม่น่าสงสัยเลยว่าทําไมต้องทํา อ, อืมันเคยพูดโดยบ่อยเหมือนฝนตกมันไม่ต้องสงสัยมันต้องไหลลงไปอย่างค่ำอ่ะไม่ต้องสงสัยเลย แต่ถ้าคุณต้องการทเย้น้ําฝนให้มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่มันไหลหนีเนี่ยคุณต้องหาทางละหาทางสกัดกันมันเอาไว้จะอยู่ในอู่ในแอง่งในแท่งในทางในอ่างในเขื่อนอะไรก็แล้วแต่น่ ะ, ะชวนนั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์ที่เราต้องการไอความรู้สึกนึกคิดเวทนาความเคยชินต่างมันต้องไหลลงแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยแต่ถ้าเราจะให้มันไหลขึ้นก็ต้องมาเนี่ยมาทํากิจกรรมพิเศษอย่างเงี้ย ก็คือมันต้องมาภาวนาเพื่อให้พลังที่มันไหลลงต่ำแล้วมันไหลขึ้นเราก็จะได้ตัวนี้แหละไปสร้างแสงสว่างแก่ใ้แก่จิตแก่ใจเหมือนเขากันน้ำเอาไว้ไปสร้างแสงสว่างแก่บ้านแก่เมืองเป็นไฟมาจากน้ำเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันมันก็เป็นรู ป, ปรธรรมที่เห็นชัดชัดเพราะนั้นการแต่สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฝืนเป็นธรรมดา ฝืนทำไปเดี๋ยวพออพอมันเข้าใจเกิดปัญญาแล้วมันก็ไม่ฝืนอ่ะมันก็พอใจที่จะทําในช่วงแรกปัญญาไม่เกิดก็ฝืนทําทนทําไปก่อนใช้ความอดทนะจนเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วทีนี้มันก็ง่ายล่ะเหมือนคนทํางานทุกอย่างตอนแรกมันก็ไม่ไม่เป็นมันก็ฝืนทำไปทําทุกวันทุกวันก็คล่องอือันนี้หลักการเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นเวลาทำไปมัน ง, ง่วงมันเหง า, ม, งามันเบื่อมันซิงอันนั้นไม่ใช่ตัวปุซักแต่มันเป็นจุดให้เราต้องหาคําตอบหาคําตอบว่าทําไมต้อง ง, ง่วงเป็นโจุดให้เราไอทําไมต้องเบื่อหาคําตอบแต่ถ้าหากว่ามาทีเดียวปัญหามาเป็นชุดปัญหาคอยากๆนะั้นทําไงต้องตอบค้อที่ง่ายๆไปก่อนข้อที่ยากๆวางไว้ก่อนบางทีมาเป็นชุดเลยนะ อันนั้นอันนี้ก็ต้องมีวิธีที่จะตอบโจทย์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าปัญหาเรียกว่าโจทย์นะเรียว่าสิ่งท้าทายนะแต่สําหรับคนที่เขาไม่ได้ฝึกฝนเขาก็อยู่กับตัวปัญหาอยู่เนี่ยแล้วตอบโจทย์พยาลมไม่ได้ตอบโจท ย, ย, มมจย์ตอบตอบปัญหายุมพะบายมาได้เขาก็ต้องเอาไปลงไปกับมันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทุกทุกที่เกิดกับชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่า คำถามอยู่เผาบางถ้าเราตอบได้ก็ไปสวรรค์นิพพานถ้าตอบไม่ได้ก็ไปอบายนแหละถ้าตอบไม่ได้มันง่วงทำไงตอบไม่ได้ฉันก็ต้องเสพง่วงทำไมคำว่าตอบไม่ได้ล่ะเพราะมันยังไปไปเอากับมันมันเบื่อก็เสพเบื่ออยู่กับความเบื่อเซ็งไปเรื่อยๆตอบไม่ได้เพราะตอบได้แก้ถ้าตอบได้หมายความว่าแก้มันได้นะตอบงวง มันง่วงเรแก่ง่วงได้นลยตอบได้ละคําตอบถูกต้องละผมทำให้ง่วงมันหายเวลามันเบื่อแก้ไขเบื่อจนหายเบื่อนะตอบโจทย์ได้ละดังนั้นเองก็ยิ่งเราตอบปัญหาทางกายได้เยอะๆล้วก็หมดปัญหาทางกายอะไรเกิดขึ้นต่อมาไม่เป็นปัญหาแล้วเรารู้คําตอบหมดแล้วนี่ทีนี้ต่อไปก็ปฝึกเพแก้ปัญหาทางจิตอีก เอ๊ะทำไมจึงรักนะทำไมจึงหลงนะทำไมจึงชอบทำไมจึงเกิดราค้าทศะแล้วก็หาคาตอบตอบไปเรื่อยเรื่อยเรก็ได้คําตอบอันไหนที่ตอบถูกต้องแล้วนี่ก็มันก็จะไม่สงสัยแต่เมื่อใหมายความมันไม่มีนะคือมันไม่สงสัยไม่สงสัยมันก็เท่ากับมีเท่ากับไม่มีเนี่ยอ่ามีเท่ากับไม่มีเพราะเพราะหายสงสัยละนะเราก็จะใช้ปัญหานะั่นะให้กับคุณต่อไปในฐานะเป็นครูล้วทีเนี้ แต่เรียกว่าตรัสรู้ไงพระพุทธเจ้าที่ว่าตรัสรู้หมายถึงว่าท่านตอบปัญหาเรื่องกายเรื่องใจได้หมดตอบปัญหาเรื่องกายเรืองใจตัวเองได้หมดก็หมายความว่าปัญหาทั้งหมดจักรวาลเขาจบได้หมดเหมือนกันเพราะปัญหาจักรวาลก็เริ่องปจากใจเราเนี่ถ้าไม่มีใจจักรวาลนี้ก็ไม่มีปัญหาสําหรับเราแต่พราะมันมีใจทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเราก็แก้ปัญหาที่ใจพอแก้ปัญหาที่ใจจบปัญหาข้างนอกก็จบเรียกว่าผู้รู้แจ้งโลกคือรู้อย่างนี้นะ เราะนั้นเวลาเรามาศึกษาปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งเราต้องโมติเวตตัวเองก็คือให้กำลังใจตัวเองอะ่ะนะให้กาลังใจตัวเองในลักษณะนะเออเราช่างโชคดีนะได้มาศึกษานี่คนเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านยังไม่มีโอกาสมานั่งศึกษาแบบเราเลยลเราก็เกิดความปีติช่ำชื่นตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังแทนที่จะละยอหอ่อเหียวทดุดถอยเบือ่อซิงมัน กำลังนี้ก็จะหายไปกำลังของพวกนิวรณนะเพราะฉะนั้นง่วงเท่าไหร่ก็จะไปกลัวมันหาทางแก้ไปเรื่อยๆวันนี้แก้ได้เท่านี้วันต่อไปแก้ได้ต่อไปแล้วจะง่วงได้สบายแบบไม่ทุกข์อะง่วงอย่างไงง่วงแบบไม่ใช่ไม่ง่วงนะง่วงแบบไม่ทุกข์นะเพราะรู้ว่าเราทำไมถึงง่วงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจเข้าใจคือแก้ปัญหามันได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บชีวิตของเราก็โอ้ โปรงโล่งเบาสบายนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันแก้ได้แล้วทีเนี้ยพอเราแก้ปัญหาที่กายที่ใจเราจบปัญหาข้างนอกเขาไม่ยากละมันมีวิธีนะ่ะควนจะแก้ได้เร็วได้ช้าก็อีกเรื่องหนะึงจะแก้แบบไหนในการแล้วแต่วิธีการของใครของมันละแต่รู้สึกเห็นปัญหาข้างนอกรู้สึกสนุกในการแก้ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์กับมันะ่ะไม่มีความกังวลอ่าชื่อ ข, ของพุทธเจ้าอีกชื่หอหนึ่งว่า อัคคีกระถังนะวะนะไม่มีคาถามว่าอะไรเป็นอะไรภาษาบาลีดังนั้นเวลาเรามาโอกาสเข้าปฏิบัติแบบนี้แล้วยิ่งมีคนน้อยได้ดีมันทำให้เรามีโอกาสได้เยอะไม่มีอะไรมาลุกวนเรา